ปัญหาที่สิบสี่ปัญหาที่สิบสี่ถามว่าอะไรเป็นสมุดข้าแต่พระนาคเสนมีคำกล่าวว่ามีคำกล่าวกันอยู่ว่าสมุดสมุดน้ำหรือชื่อว่าสมุดขอถวายพระพรน้ำเค็มมีอยู่ในที่เท่าใดที่เท่านั้นแหละเรียกว่าสมุด ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเหตุใดสมุทรจึงมีรสเดียวคือรสเค็มขอถวายพระพรเพราะมีน้ำขังอยู่นานจึงเค็มสมควรแล้วพระนรักเสน